เป็นที่บำเพ็ญสมถะวิปัสนาของพระพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ไปถึงแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูเอาไว้แล้วแม้ท่านพระนนทก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งอยู่ณด้านหนึ่งของเรานเนี่ยนะม่เที่ยวติดตามไหว้พระพระธาตุไหว้อะไรต่างๆถ้าเทียบกับพระนนทเนี่ยพระนนท์เนี่ยท่านมีทัศนานุตริยะมากะนะท่านก็เห็นวันหนึ่งท่านกราบท่านไหว้หลายครั้ง จเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะเมื่อพระองค์ประทับนั่งพระ น, นนกราบกราบถวายบังคมเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสกับท่านพระนลซึ่งนั่งอยู่ณนะด้านหนึ่งดังนี้ว่าดูก่อนอนล น, นครเวสาลีเนี่ยเป็นที่รื่นรมอุเท น, นเจดีก็เป็นที่รื่นรมโคตมะกะเจดีก็เป็นที่รื่นรมน่ารื่นรมประวันหน้าเพลิดเพลินก็คือหน้าอยู่นั่นแหละ สตัมพระเจดีก็เป็นที่รื่นรมพรหุปุตตะเจดีก็เป็นที่รื่นรมสารันทะเจดีก็เป็นที่รื่นรมปาวานเจดีก็เป็นที่รื่นรมดูก่อนอนอนุ์ผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาสีทําให้มากทําให้เป็นประหนึ่งยานทําให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งอาศัยตั้งเอาไวเ้เนืองๆอบรมแล้วปรารบด้วยดีโดยชอบหรือกระบอกทำให้อ ทำให้มากแล้วเนี่ยนะทำให้บ่อยๆทําให้ชํชนานิชํานานให้คล่องแคล่วดูก่อนอานอนท์ผู้ที่มีความชํานาญในอิทธิบาทนั้นน่ะเมื่อปรารถนาก็พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกัปหรือเกินกว่าอันอุภาพของอิทธิบาทนั้นทําให้สามารถดํารงอยู่ตลอดกัปคือตลอดอายุไขหรือเกินกว่าอายุไขก็ได้ หรือสามารถที่จะอยู่ตลอดมาหากัปก็ได้ด้วยอนุภาพของอิธิบาทเนี่ยน ะ, นะดูก่อนอนนนตทาคตแลได้เจริญอิธิบาทสี่แลได้ทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นประหนึ่งยานแล้วได้ทำให้เป็นหนึ่งวัตถุที่ตั้งแล้วตั้งไว้เนืองๆแล้วอบรมแล้วปรารบด้วยดีโดยชอบแล้วดูก่อนอนนนตถาคตนั้นเมื่อปราถนา ก็พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินกว่ากับนี่นะอันนี้อนุภาพของอิทธิบาทเนี่ยนะอนุภาพของอิทธิบาทว่าอิทธิบาทที่บุคคลเจริญกระทาให้มากเจริญเป็นอย่างดีเนี่ยจนชำนิชำนาญคล่องแคล่วผู้ใดก็ตามถ้าทํำอนุภาพของอิทธิบาทเนี่ยทำให้ผู้ที่เจริญเนี่ยดำรงอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินกว่ากับเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทานนัยให้แก่พระอานน์ว่า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 ถ้าพระองค์อยู่ดำรงนานในโลกเท่าใดความสุขก็จะมีแก่ชนจำนวนมากถ้าพระองค์ดำรงอยู่ในโลกเพียงใดพระองค์ก็ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของชนเป็นจำนวนมากะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็คืออยู่เพื่อพระนิพพานให้สัตว์ทั้งหลายตรัสรู้พระนิพพานขอพระองค์อยู่เพื่อเกื้อกูลให้เขาได้อริยมรรคเพื่อความสุขในพระสมบัติแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 ท่านเสียหายมากกันนะสำหรับตัวท่านโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าพระมหากระสปะท่านยังยกเรื่องนี้ขึ้นปรับอาบัติท่านพระอนุลในคราวปฐมสังขยาด้วยซ้ําไปว่าทําไมท่านไม่ไม่อาราธนาพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความผิดของท่านท่านทําไม่ดีเพราะนั้นท่านต้องแสดงคืนว่าท่านทำพลาดนะเป็นข้อเสียหายเนี่ยนะเป็นข้อเสียหายประจําตัวพระอนลนะนะพระมหากระสปะเนี่ยท่านท่านพูดตรงนั้นเลยนียยกขึ้นมาบอกว่าทุกข์ตัง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 ได้ยินจําได้หมดถ้าท่านนจําไม่ได้แล้วใครจะมาเล่าล่ะตรงนี้ถ้านนจําได้หมดแหละแต่ว่าไม่เข้าใจใครควรเรื่องที่พระองค์ตรัสไม่ได้เมื่อตรัสไม่ได้ปั๊บสิ่งที่ควรทําก็ก็ทําหมดอนะนะเคยอ่านหนังสือไหมเห็นแต่ตัวหนังสือเต็มหน้ากระดาษไปหมดแต่ไม่รู้เรื่องราวในหนังสือเป็นอย่างไรฉันใดผู้ที่ฟังทำก็ฉะนั้นบางทีก็ได้ยินหมดทุกคําอ่ะนะ หูก็ได้ยินเสียงแต่ว่าใจก็ไม่ได้คิดตามไม่ได้คล้อยตามพระนน์ก็ฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ย้าเป็นครั้งที่สองอีกสแสดงเหมือนกันอีกนะพระนน์ก็นิ่งอีกแม้ครั้งที่สามอีกพระองค์ก็ได้ตรัสกับท่านพระนนท์ครั้งที่สามดังนี้แล้วว่าดูก่อนอ น, อนุน นครเวสาลีเนี่ยเป็นที่รื่นรมอุเทนเจดีก็เป็นที่รื goal, ่นรมโคตมะกะเจดีก็เป็น okay, ที Daddy, ่ร yeah, ื cartoon, <fino> ่นรมสัตตมพระเจดีก็เป็นที่รื่นรมพหุปุตตะเจดีก็เป็นที่รื่นรมสารันทะเจดีก็เป็นที่รื่นรมปาวานเจดีก็เป็นที่รื่นรมดูก่อนอนน ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญอิทธิบาทสี่ทำให้มากทำให้เป็นประหนึ่งยานทำให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งตั้งไว้เนือ ง, อ, งอบรมแล้วปรารบด้วยดีดยโดยชอบผู้นั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับอนุภาพของอิทธิบาทอิทธิบา ต, บาตนั้นเป็นกุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากสา ม, มารถที่จะทำให้ผู้เจริญเนี่ยดรงอยู่ได้ ดูก่อนอนนต์ตถาคตแลได้เจริญอิทธิบาทสี่แล้วได้กระทําให้มากแล้วตถาคตได้ทําให้เป็นประหนึ่งญาณทําให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งอาศัยแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วดูก่อนอนอนต์ตถาคตนั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินกว่ากลับตัางนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำนิมิตหยาบทรงทโอภาษหยาบอย่างนี้แล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 แล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสรับสั่งต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนนท์เธอจงไปบัดนี้เธอจงสําคัญกาและอันสมควรเถิดบอกได้เวลาไปแล้วอะนะเปิดเรียกว่าเปิดโอกาสให้ตั้งสามครั้งแต่พระนนท์ก็ไม่เข้าใจนี้ตั้งคําถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าพระ อ, องค์ตรัสเช่นนี้แล้วเนี่ยพระนนท์ไม่ได้อาราธนาหรอกเพราะมาเนี่ยแสดงอารมณ์อย่างอื่นอยู่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 องค์พระตถ า, าคตดับขันธปรินิพานเนี่ยพระนรจะเสียใจขนาดไหนเหมือนอย่างว่าแบบอะไรนะเหมือนเคยอยู่บ้านชั้นดีบ้านชั้นเลิศแล้วล อ, อยู่บ้านถูกไฟไหม้หรือไม่ก็เคยใช้แสงสว่างมาตลอดใช่ไหมแล้วไฟดับอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ตกใจเป็นธรรมดาคนที่จะตกใจมากที่สุดคือพระนรมันพระองค์ก็เลยบอกทำยังไงให้พระนรเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นจะได้โศกน้อยหน่อ ย, อ ย, อยไอโศกเนี่โศกอยู่แล้วละทำยังไงท่านก็ไม่เลิกโศกเพราะว่า ท่านไม่ได้ตรัสรู้อนาคามีมากพอที่จะดับความโศกพันท่านก็ต้องโศกทีนี้วิธีแก้ที่จะให้คนเนี่ยไม่โศกเนี่ยทำยังไงวิธีแก้ของพระพุทธเจ้าให้พระอ น, นุ์เนี่ยโศกน้อยหน่อยสมมติถ้าร้อเท่านก็โศกสัก 25% ่อก็พอแล ว, วิธีแก้ลดความโศกของพระอ น, นุ์ก็คือบอกว่าพระบอกว่าเราให้โอกาสแก่เธอแล้วนะแต่เธอไม่ขอโอกาสเราเอง เพราะฉะนั้นถามว่าความผิดเนี่ยของพระพุทธเจ้าหรือของขอ ง, ของพระนนก็บอกก็ของตนสิ